กายกับใจแยกกันบดยมันมันแยกกัน1อยเปรนีมันแยกกันว่าห้าเปอร์ซ็นสิบปอร์เซนตนี่ก็บทีก็ไปเจ็ดสิบอร์เซนกายเนี่ยเขาแทบจะลืมไปเลยนะเขานอย่นี่เอ็ดหยังนี่บรดาฮูเมียเด้นั่นเป้าหมายของการปฏิบัตินี่เพื่อเพื่อให้กายกับใจอยู่น้ำกัน1อยเเซนแต่ถ้าหากว่าเขาใช่ใจไปคิดอย่างนงี้ก็ตามคิดนั่นคิดนี่ ให้ยูนี่สักเจ็ดสิบเอร์เซนต์ให้ไปใส่สักสามสิบเอร์เซ็ตพอนี่ก็เรียกว่านี่แต่เขาเวลาเขาจะคิดอย่างนี้นเขาบริการนุ่นกันว่าเอ้จเจ้าข ม, มูเมียไว้จะของนี่สักเปอร์เซ็นต์บริกาคิดได้หรือป่าคิดไปโหลดแล้วไปคิดเรื่องนั้นสักเจ้าเปอร์เซ็นต์ก็ บ, บริกาตั้งเป่าเอาไว้ตังก็เขา้าไปในตลาดและตลาดเขาไปซนะื้อของเขาพูดเียว่าเงินนี่นกนเป่าเจ้าของมิเตอร์ใดนี่ เขากะไว้ก่อนได้เป็นบ่มุนี่จะซื้อของทนี่ให้เหลือเงินได้กับปอยย่างหน่อยมัธยมหนี่เองใช่ไหมสมมติเขาเตรียมเงินไปพันบาทพันบาทนี่เขาต้องใส่มันต้องเหลือไว้สักห้ารอยดิอีกห้ารอยอยู่แบมืออื่นอ่าพอมันจะพาลูกไปลุ้งวัยเยาวันถ้าเขาใส่เกินห้าร้อยในเงินโบพ่อไปบัวลูกเขาจะใส่ใจกับอยู่ในวงห้าร้อยใส่ไปได้ก็บห้รอยนี่หมายขวามว่เกิดนั่นให้เหลือก็ดี นี่เขามีการคำนวณเด้เขาใส่ใจเงินท่องเงินบวกลองเขาเคยคำนวณบอกว่าเออมันนี่จะเหลือพราะคุ้ึ้งเมียสักเจ้าของเท่านี้แล้วก็จะเอาใส่เพื่อเท่านี้เคยคิดจ๊กเทืยบบ่าเมื่อคิดแจ๊คเทียบเกิดในในเกิดไงเกิดมาใงมั้งนี่หรือพอจะเหลือคิดก่อนบอกไม่ได้ใจใจไม่จะเวกลองไมจะคิดไว้ให้มันเหลือคอาู้เมียสักเท่านี้คิดไว้ก่อนบวก็บม่ได้คิดจ๊กเทียบขึ้นกันเนาะ เป็นต่คิดเด้แต่วเวลาห้อไปใส่ของอแกงในหม้อเนี่ยจะตักให้พูน้นันเน่เหลือให้มวอนั้นจักหน่อยเด้อดักมาเล่นเหลือทีนีจถอยมัเหลือที่นี่ถวยคำนวณไว้ก่อนอใจห่อกับไก่ห้อมันก็เป็นทรัพย์สินอันหนึ่งเด้เห่อชิใสชิใจเนี่ยห้าต้องมีการคำนวณคำนวณบ่เป็นนี่ถ้า ม, มันมด หาไม่ได้ใส่อีกวันนี้ใจห้อเนียเพราะฉะนั้นห่อต้องมีการคำนวณก่อนว่าห่อใสใสเท่าไรมูลนิใสกายเท่าไรใสใจเท่าไรถ้ามีการคำนวณถึงสี่ห่อจะบดหุกเลยเพื่อการเ่าใสเงินเขาก็มีการคำนวณเงินซะก่อนว่าเขาจะใสใจเท่าไดในงานนี้เขาก็จะบริจนเงินเขาก็จะม้วนบดนะ่ยแต่ส่วนใหญ่มันคำนวณผิดนี่ามันบอกกะว่างานนี้ใส่ซะ เนึนงหมื่นบาทวัดไปอีหลีแล้วมันหมื่นบาทมันบอกพ่อใจไปสามหมื่นบาทวันนี้จะสร้างให้มันมืัอสองล้านเะมดไปสามล้านวัดก็ยังเบลแล้วมันจะเข้าสี่ล้านอด้วันนี้พอบางทีบางที่เขาโนวนผิดเขาก็เลยได้ติดหี้ที่สินเขาคือกันไหนใส่เงินหาเงินบดปีแต่ยังเป็นหนี้อยู่เป็นหนี้รัฐบาล เพราะว่าเข้ามามาบาดิโนคความนวน่นตุนทุนร่างกายที่ใจเฮานี่มันเป็นตุนทุนตุนทุนได้มาแต่พอแต่แมวเขาบั่นพบรุ่นเขาในใหายตุนทุนตัวนี้มาเขาก็เอาตุนทุนตัวนี้มาต่อเอาทุนแต่ผูดด้ใดขาดขาขายขาทดทุนกับผู้นั้นจะเป็นทุกผู้ใดขาขายมีกําไรกับผู้นั้นจะมีความสุขอืหลักการมันเป็นอย่างนั้นนี่แต่คนส่วนใหญ่นี่ ทุกกายนะเพื่อความสบายใจเห็ดงานวัดมือกายนี้บ่ได้สบายนะเพื่ออยังเพื่อให้ได้เงินมาว่าได้เงินมเนมื่อไรจะสบายใจ ม, มันบ่ไมสบายใจอีหลีบว่าเวลาได้เงินเ ม, มื่อไงไมสบายใจข้าวเดียวตอนที่ได้มานั่นแหละถ้าได้เมืแล้วกับพี่อกูจะไปใส่ใจอย่าง น, นออหาเท่าใดเท่านั้น เมื่อเงินไม่ใส่เอาร่างกายได้เป็นทุนไปหาไม่อีกโจนก็มือใดมือ น, นึงทนุนหมดหมดมูอจักยังไดว่าทุนหมดตอนเขาปว่วยไปนะถ้าร่างกายป่วยนี่ถือว่านะทุนหมดแล้วด้ทุนหมดแล้วเขาจะต้องไปหาเงินมาส่อมแซมทุนอันนี้อ่าไปหาหมอให้หมอมาส่อมแซมให้กินยา เห้มัสอบแซมเระสมบแซมทุนขึ้นมาหน่อยหนึ่งกับปัญหาไม่ห่อกระต่องเอาเงินในดๆมาให้มันสอนทุนมขึ้นทุนตัวหนีพวนที่ได้เงินมาเถดถอยมาปัวเจ้าของมดเนี่ยเขาใส่ทุนขึ้นได้บไหมมดเหลืยังโมหาแสดงว่ามันขาดทุนไปหลายในชีวิตจริงเนี่ยเขากลืมคิดแนวมุนีไปมันก็เลยลืม ว่าโอ้กานี่ก็เป็นทุนห น, นึงใจก็เป็นทุนหนึน่งเฮาจะคิดความคิดมุนีเฮาคิดเรื่องนี้นเฮาจะใส่ความคิดสัเท่ไเาไหเฮาว่ามุ น, เนีนเฮาจะว่าจะค้ำถึงจะพอดีระบบเปืองบ่มุดความคิดมุนีนเฮาจะคิดเท่าใหรถึงจะบ่มุดไหลายมีการคำนวณบ่มุนีจะว่าจะคำนี่มีการคำนวณบ่มุนเีนนนนมมเช็คเจอแล่ะแต่จะเกิดไหมไงม้มามนเนี่ย <c oughs> จะใจลูกเดียวมุนีใจ สมมุมิมันีส่สมมุติเราเป็นเงินเนาะมันนี่เฮ้ามีซิทที่ใส่ได้เขาบอได้มืน่นคำเท่านั้นมืน่นคำนี่พอดีสินะถ้าเกินประเด็นมายคว่าเขาขาดทุนน่ะเฮ้าจะหุ่จับประหยัดบ่ป่ะเนี้ประหยัดเด้อูเหลืองเหนียตันนี้ใส่ไปแล้วหนึ่งอยคําอาไปไดูพูาใส่ไปแล้วสองลอยคำเอาไปอีกสามลอยค เอาไมามันลืบหมดนี่บวกบดือไอ้มันห่อนมือแล้วบันนี้นี่ความคึดนขึ้นกันมูลนี่เทามีมงบประมาณที่ขึ้นได้บวกเกินร้อยเรื่องนี่เรื่องล้เท่าไเรเลื่องละหนึ่งหน้าที่สองหน้าที่อ่าวันนี้เขาคึ้ไปเลยจักเลื่องแหละแต่ละเลื่องมันจากหน้าที่แหละบ่มีการคำนวณนะการกระทํา เรื่งมูนี่เป็นแต่คิดเพราะาว่าเราเป็นมนุษย์เนีเป็นมนุษย์เาราสัมพัสัตทั้งหลายมันโบรามารถจะคิด ค, คำนึงคำนวณถึงสี่คือมนุษย์ได้และในบรรดามูมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยผู้ที่จะมาคิดคำนว้นนอกจากพระอดีเจ้าธรณีขิดหอดเรื่องนี้นะพออย่างพุนือว่าชีวิตที่ใดมาเนี่คือเป็นของมีขา เพราะนั่นใจะใส่มันแต่ละเถื่อแต่ละที่ต้องมีการคำนวณว่ามันจะเสียไปเท่าไดรมันจะได้มาเท่าไดรในชีวิตของฆราวาสกระบวนวจิเหตุไดเพราอเขาเป็นมนุษย์ขึ้กันพระพุทธเจ้าพระอาลยเจ้าเขาเป็นมนุษย์คือกันหมดแหละดังนั้นวิธีการที่จะาคำนึงคำนวณถึงต้ น, ท, นทุนขาทุนของชีวิตนี้ ต้องมาสติฝึกปัญญาให้เกิดฝึกสติให้ด้วยดวงตาฝึกปัญญาให้เกิดแสงสว่างฟื้นสมาธิเพื่อให้มองเห็นทางฟื้นสติเพื่อให้ได้วดวงตาฝึกปัญญาเพื่อให้แสงสว่างฝึกสมาธิเพื่อได้มองเห็นทาง มุจักท่างจะไปใส่นี่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ฝึกสติสมาธิปัญญานี่เขา้ากระโบเห็นว่าเขาจะไปใสเด็ที่ท่างทีไปกระโบเห็นเสร็จท่างที่จะไปกระโบเห็นแจงสว่างที่จส่องกระโบมีเข้าเกิดมาเหมือนรับตาแล้วมันนี่ไปแล้วแจะเหตุการณ์พาไปดังนั้นการเจริญสติจึงเป็นสิ่งที่เข้าต้องมุจักสุคนเกิดมา หลวงพ่อเทียนค่คยฝึกเด็กน้อยแต่เก่าขวบไปเพราว่าเจ็ดขวบนี้วันนั้ดฝึกเลยว่าแต่พุทธเจ้าดว่าแวหุเจ็ดขวบเียพุ่นนมาฝึกเลยดิละหุเจ็ดขวบมาฝึกแล้วแต่พุทธเจ้าหงพ่อเทียนเขาว่าเด็กน้อยเก่าเกาขวบมาฝึกเพราะว่าเด็กน้อยมันเข้าใจญดใหญไม่ออกจ้กขวบเลยพีนี่อันอยู่จ้าขวบแล้วหัวซีขวบเลยวะ หลาเก่าแล้วอะหลายที่เก่าแล้วอเก็บเบอม่มีโอกาสได้มากนะดังนั้นให้ตั้งใจสมัยเด้อไหเทามาบึงตาเขาเปิดระโบแสงสว่างเขามีระโบเส้นทางเขามีแระโบเส้นทางที่จะเดินเห็นแล้วไปสินะที่นีทั้งแสงสว่างกรดีตาก็ดีเส้นทางกรดีทั้งนอกมันง่ายเด้ มันบอกตาเขาก็มีอยู่แล้วไฟเขาก็มีอยู่แล้วเส้นทางจะไปใส่ที่เขมีอยู่แล้วในภานอกเกิดมาก็หุ่จักลุดแต่ว่าภายในนี่ถ้าหากว่าเขาไ่ได้ฝึกฝนบ่ได้ปฏิบัติบ่ได้มาผ้ากันเห็ดมันจะโบเห็นเนี่ยจะทำโยมหรอเอาง่ายๆไม่ทําย่มอะโยมจะไปใส่ ทางใจเนี่ยทางว่าจะไปใส่หุจักแล้วไปว่าตายแล้วนี่จะไปไส่เองสินะหู่จักแล้วไปยังบุตรหุ่นจักเหมือนว่าตายแล้วจะไปใสแล้วก็อย่าเอา <c oughs> สิ่งใดเป็นสิ่งผ้าไปนี่สินะเห็นแล้วบ่เรจะผ้าจะให้ผู้ใดผ้าไปก็ยังบุท่านเห็นแล้บ่จะทางว่าไปทางได ก็ยังบวมว่าไปทางใดมืดตื้อไปเลยนั่นนี่คือทางดานันทางดานชีวิตภายในเขาก็ยังพูาทดันเ็นแต่หากว่าเขาบรเิเตรียมบอไว้ในหอดมือตายใกล้ตายดีเนี่ยเขาจะไปถือป่ะไปพูถือล่ะไปใชไปไซบอรมืดไปคือเอล่ำละธะรมโ ม, มประปรายโนมืดมากมืดไปแต่พระพุทธจเจ้าพูดว่าโชติ ดโมโชติปรายนุแสงสว่างมาหรือให้สว่างไปแต่บางคนดโมดมะโชติโชติปโธนะมืดมาสว่างไปตโมดมะปรายนโชติตโมปรายนโชติตโมโชติปราปรายนนะุบางคนมืดมาสว่างไปบางคน สว่างมากแล้วก็มืดไปบางคนมืดมาแล้วก็มืดไปบางคนสว่างมากแล้วก็สว่างไปบ่บ่คือกันแต่ละคนคนมืดมากแล้วก็มืดไปนี่เออพุธุชนคนมืดมาแล้วสว่างไปนี่ก็เรียกว่าอาลัยชนคนสว่างมากแล้วก็มืดไปนี่ก็เรียกว่าพาะชน คนสว่างมากแล้วก็สว่างไปนี่ยก็ดูว่าเป็นพระอารหรอันต์นะทังนั้นพระอารหันต์ว่าองค์พ่นก็มืดมากสว่างไปอย่างพระองค์ุลิม่านนี่พ่นมืดมากแต่เพ่นสว่างไปเด้ทั้งนั้นเขาสุดลายแต่ว่ามืดมากสว่างไปแหละเคยมืดมาแล้วเขาก็สวา่างไปเหตงใดมันสว่างเขาก็มหาจจักผูจักทาง คือการกับเข้ามาหาเจ้าของเน่ยว่าเจ้าของอ่ดวงตาอยู่ไซส์ใหเห็นก่อนเนี่ยระว่างดวงตากับแสงสว่างในเวลายุ่มจะไปใสเนี่ยระวังตากับแสงสว่างเนี่ยจะต้องมีอันใดก่อนมีนชีฮะมีตากรนี่บ่ระหาแสงสว่างถ้าสวมตว่าเฮ้ บ่มีตาเฮ้สีหาแสงสว่างพอบ่ฮะไปถือแต่เฮามีตาแต่บ่มีแสงสว่างหน่ไปถึกบ่ให้เป็นย่างมือขึ้นไปได้เออแต่ว่าซุ้มๆเสาๆเป็นเช่นมือบ่เฮ้ใส่ไม่กระทาไปเห็นบ่แต่สบายที่สุดไม่ถึงดวงตามีถึงแสงสว่างคงจะทั้งไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องหาดวงตาซะก่อน หาดวงตาดวงตาคือสติเนี่ยสติคือดวงตาปัญญาคือแสงสว่างขนทางคือสมาธิจำเอาไว้เข้าให้ยังได้ดวงตาผมเนี้ยเอาตามไเป็นยังไงเนาะเวลาเข้าไปไปวัดดิเขาจะถือเทียนไปสองลิ้มดิคือเป็นอยังคุโบกไปสามลิ้มเทียนมันจะได้สว่างหลายๆเป็นอยัางคือเอาไปสองลิ้ม ไม่อกเคยไปวัดดลเนะาะบอกเคยไปแจ๊คเร่แต่ว่าเอาเทียนไปจ๊คเทียน ไ, ไปแจ๊คเหลิมไป่ได้ไปวัดเพราะเป็นฮอแล้วเป็นป uh huh. บ่บดเลยชุดบูชาพระในชุดสองเหลิ mm hmm. เลมออเลิมนี่คือซองตาในเลิมนี้ไว้ซองตานอกทุดเนี่ยเอาไปเล่มเดียวกับสว่างตาเดียวไปสองเหลิมก็สว่างถึงขนนอกทางใน แต่ชีวิตจริงนี่เขาสว่างทั้งเดียวคุณสว่างแต่ตาหนอกแต่ตาในสว่างเอาในสว่างเพราะนั้นให้เปิดตาในให้ได้นะเปิดตาในคือสว่างอย่างไรสว่างตาในกคแบบแสงสว่างขึ้นกันบ่บ่ขึ้กันแสงสว่างมันอยู่ห่างเข้าไปอยู่ข้างหน้านแต่ว่าตานี่มันอยู่กับเขา้าเขาเกิดมาหนีเข้าเอา ตา마หรือเขาเอาแสงสว่างมาชื่ออะไรบ<ม>่เอาตาม마มันบ่นะตามามันคนเห่าคนที่เกิดอตาเนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วคือความหูมีอันเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเปิดบ่เปิดท่านะมันจะเปิดตาบ่าเปิดต า, าฉะนั้นมา่าฝึกปฏิบัติในเพื่อไม่เปิดตาตามีอยู่แล้วแหละมัน เด็กน้อยที่มันเกิดไม่ตา ม, มันปิดอยู่เนี่ยอีกแค่สองสามมือตา ม, มันเปิดอมาน่อยเกิดมาไม่เข้ากันมีความมู่งซึ้งควเมียอยู่แล้วความมุ่งซึ้งมีสองระดับความมุ่งซึ้งทางกายกับความมู้งซึ้งทางใจความรู้งซึกงทางกายนีย่เอินว่าเวทนาเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งเค็งถึงเจ็บปวดมวเมื่อยเพรียสบายบ่ิสบายนิ่งเป็ น, เ ป, นเป็นตัว ขา้ซึกทั้งกายทีนี้เวลาเขาม้ซึกนักเขาเห็นังไงก็เปลี่ยนมืนบ่นั่งทงนี้มือเขาก็เปลีย่ยนไปทั้งนี้นั่ ง, นนนงที่นี้มือเขาก็กเปลี่ยนไปทังนี้ผู้ใดบอกเขาเปลี่ยนผู้ใดบอกเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเองเหมือนบอล่ล่ะเออนั่นน่ะนั่นแหละเอินวาตาเอินวะตา แต่ตาโบท่านเปิดเลยเนีมันมันหูเอง็งหูเอตาโบท่านเปิดมีอยู่แต่โบท่านเปิดมันก็หูเมียอยู่เนี่ยถามว่าเวลาก่อนเจก่อนจะโยกเปลี่ยนใส่ใหญ่ขวานเนี่ยเขาคิดบอกว่าความผู้สึกที่มันปวดเนี่ยมันมาแต่ใส่เป็นอย่างเขาได้เปลี่ยนได้ใหญ่เนี่ยเขาคิดก่อนบอกบริขิดแหละมันบ่ก ข้อูซื้อบอลปวสบายก็พิการลดดแต่ขาไปเห็นเดียวมันม่าใจใส่พอตาเขาเ่ิ่เปิดเด้แล้วพิกาแล้วเขาก็บวเห็นว่าขอูลซื้อตีเขาพิกมันหายไปใส่ก็บเห็นเด้แล้วนั่งลุไปไหมความปวดเมื่อยมันเกิดขึ้นไหมหูบมันม่ใจใส่ก็บุ้งหอีกเด้มีแต่ว่ามันหูซื้อบอลนักแล้วเปลี่ยนทนใดนั่นบอกนี่ลักษณะเดียตามีแต่บท่านเปิดแต่ บดีเขาจะมาบอกกันไหมวันนี้เจ้าเวลามันปวดเวลามันหนักเรากอนจะพลิกกอนจะติง่งนอนจะไหวเนี่ยให้หูซะก่อนหูกอนจะบิดใช้ใหญ่ขวาเนี่ให้หูซะก่อนว่าจะจะจะหมุนตัวก็ให้หูซึ้งก่อนเอตั้งสติก่อนหน่ะนะจะหมุนแล้วเด้อหมุนไปจะเอาแก้วหรอคิดว่าจะเอาแก้วนี่ล่ะเป็นตาล่ะ พขาตั้สถิติได้แล้วก็ค่อยๆพามือไปจับมันแล้วก็ยกขึ้นมาอันนี้ตาเริ่มเปิดตาละลืมเปิดที่ละน้อยละน้อยแต่ถ้าเปิดไปเรื่อยๆป่ะเนี่ยเปิดให้หู้ตัวเปิดตัวนี้ตัวหูจักหูจักว่าเป็นยังไงมันข้างนอกหรือข้างในขณะ น, นี้หูจักห่อนมากครับว่ า, าหูจักว่า หอ่อนเราวมันคิดว่าห้อนนี่จะแก่อย่างไรอโอ้ไปอาบน้ำบ่ไปเปิดพัดลมบ่ไปเปิดแอร์บ่มันคิดอ่าตัวคิดตัวนั้นโอ้คิดตัวนั่น เ, ออเป็นตาแต่ละคนที่มีดวงตาสิ่เปิดแล้วก็จะคิดมันห่อ น, น, ด, นดิสิทนใดวะทนใดซําใดโอ้ห่อนซ้า น, นี้มันทนใดอยู่นะห่อนที่โอทนบ่ใดล่ะนี่ คอยไปแบบนี้อไปอย่างไปหาห้องนา้าบอกย่างไปหาพัดล่มบอกย่างไปหาห้องแอร์บอกย่างหรือไปอย่างไปหาพัดจะพัดมาพัดเจ้าของบอกองนี้นะลักษณะที่เขาค่อยกํานดณลู่ย่างไปยิบนั่นยิบนี่ย่างหูเมียนอิ่นวะเขาเริ่มเปิดตาเจ้าของแล้วบางเทธอเปิดแล้วมันก็ะลับลงไปไหมเขาก็ ทุกทเขาก็ลืมได้เมืนว่าเขาลืมไปอ้าวแต่ปิดไปีแล้วต้องเปิดม่อีกคนนี้ต้องเปิดหลายๆเทื่อพุ่นอย่ามันถึงจะมันจึงชินทุกทีเปิดไปหน่อยนึงก็ปิดม่อีกอยู่สันปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดอยู่สันมันเลยโบ้แล้วจากเทื่อเขากำบังเฮ็ดอยู่เฮ็ดเพื่อให้มันมีแสงสว่างนั่งไปสักพักนึงมันมันปวดมันง่วงบมดนี้ มันง่วงห่อเป็นห่ทงทางกายหรืทั้งใจเวลาหูวงซืมันง่วงเป็นข้อมูลซึกททางกายหลืทัางใจก็ง่ายเหลืมแล้วง่วงเป็นหู้งซืทอทางกายหลืทั้งใจทางกายดีไม่เป็นอะไ <laughs> แต่ถ้ามันบางง่วมเนี่ยเขาสั่งมันง่วมได้ปะ อถ้ามันง่วงไปสั่งมันง่วงหมดเลยด้ถ้าหากว่ามันเป็นทางกายหรือท้องสั่งมดเยเขาสั่งมือปงยิ้มันกลับไปได้เลยนะแล้เจ้าของบัอย่างง่วงพยายามทำทางง่วงไปยังง่วงใดบ่ทางกายเขาต้องสั่งหมดเนี่เขาสั่งมันหไดเเนีเออง่วงเ๋ยมันขันนั่งง่วงอยู่นี่เขาสักของตื่นได้มั้เนี่ยมันจะตื่นได้ทันทีบ่มันก็บหดตื่นหมดได้ทันทีนี่แสดงว่ามันบ่เป็นทางกายยังเดียวได้มันเป็นทางใจพอทึงสองยังขอมง่วงเป็นทึ้งกายทึ้งใจนี่นี่มันยากมึง แต่พ้นกายเรื่องเดียวกันยังไงเป็นใจเรื่องเดี่ยวกันยังไงแต่มันกายทังใจห่วงกันี่ยากเลยบางครั้งเนี่ยที่ว่าเขาต้องเหตุหลายเพราะว่ามันมีความละเอียดขึ้นมากมีความละเอียดขึ้นมาเปิดตาแต่คนที่เปิดตาได้หลายแล้วว่ามั่นเยเห็นเจ้าของได้หมดเห็นเจ้าของปวดเห็นเจ้าของเมยเห็นซ้าใดเห็นตั้งแต่ยี่สิบ้าเปเซ็ ลอยหนึ่งเห็นยี่สิบหาเทื่อบาคนปฏิบัติไปอีกลอยหนึ่งเห็นถึงหาสิบเถือ่อห็นเจ้าของเ ค, เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวลอยเถื่อนี่นะเหินเจ้าของได้ถึงหาสิบเทือนมีตาเปิดหาสิบเปอรซนต์ล่ะบางคนลอยหนึ่งหูเมียกันถึงแปดสิบเทื่อปุ่นอันนี้ตาเปิดเก็บมืดล่ะแต่ยังบนท่านมดบางคนเคนลือ่อนไหวลอยเื่อก็หูลอยเถือ่อลดนี่ นี่เลียกว่ า, าตาเปิดสมบูรณ์แล้วตาเปิดสมบูรณ์แล้วอเห็นกายอ้าวที่มาบึงอันนี้เปิดทั้งสมบูรณ์เท่านใดนทั้งด้านกายาที่นี่ตาของเขาเนี่มันบอกมั น, มนว่ามีตาเดียวมีสองตา ทั้งกายทั้งเวทนาเปิดได้ต่อไปทั้งจิตทงอารมณ์ ก, ก็เปิดอีกสันน้นนึงแล้วมันสั้นลึกขึไปดังนั้ น, น, นการที่เข้ามายกมือสร้างจังหวะนี่เพื่ออย่างเพื่อให้ให้มาตามเขาเนี่ยมันได้เปิดดูๆเพื่อว่ามันบุเปรเถอรับอีกนะถ้าบวาขยนันเปิดแล้วมันเพลอแล้วมันรับไป เวลาทีเ่เกิดขึ้นโบท่านเด้ชช่วยเจ้านอนรับเนี่ยเวลาเข้ามวยเข้าบัานพัวหัวมันเข้าบัานไปแล้วโ บ, บท่านมันคณะที่เข้าเผอเนี่ยเรียกว่าลับขณะเขาเผอเข้าเผอเนี่ยว่าลับเวลาตื่นคือพ่อหูเมียนี่เยเรียกว่าตื่ น, นเพื่อยิ่งได้เอาไปแล้วหลับ่บมันหลับอีหลีเดชคณะที่เข้าเผลอเนี่ยก็าอื่นว่ารับตาในมันหลับตาน อ, อกเขาอาจจะเห็นอยู่ แต่แต่ไนมันแล้วก็อึโนออเผิร์ดพะาพุทธเจ้าอึโนประมาต์ประมาตมันเพิร์ับไปแล้วเพิรคิดไปนะอึโนออเพิร์บับเพราะฉะนั้นรับแต่นใหนคือรับตา น, นอกคือกันได้รับตา น, นอกนี่มีตลอดปั๊บปัป๊แต่รับตานในคือการเพิรการเพิรนการประมาตนั่นที่เรียกว่า แต่ในแล้วกวาหลงแล้วกว็ลืมด้วว่ามันรับตาในเท่ากับกระตุ้นให้มันตื่ น, น, เ, นเวลามีตาเราต้องตื่นมันเผลอละไปก็ปุกให้มันตื่นปุกเสมือปุกตลอดเวลาสมมติเขามานั่งปุกยกมือสิ พ, อพอ่อบอกบอกพอกำลังปุกตอนเวลาจะจิบดังก็ย่าเผยยิบยให้ตั้งสติยิบแล้ว ย, ยวกดหยังก็ย่าเผอ โยกให้ตั้งสติเขาโยกอันนี้เขาเรียกว่าตาเขาจะเปิดเรืเย่ยตาหน้าจเปิดเรื่อยๆที่นี่แสงสว่างคื อ, อยังไงวะเนี่ยอันนี้ตาหมายถึงว่าเขาลับเขาลืมเป็เครื่อง ค, ควบมือเมียบุหูเมียนะที่นี่พระญาคือแสงสว่างไม้ค้อมว่าเปิดตาได้เราต้องเบิ้งทางไกลนะเบื้องไกลไกลพอดี ถ้าตัวตาได้สำหรับเด็กน้อยก็บึ้งแถวนี้แหละมันเป็บททันงแสงตาบททันงแข็งเด้มันก็บึ้งได้แถวนี้แหละไกลๆมันก็บึง้งบอกว่าเห็นฟา้ฟามีอยู่เนี่ยพอตาเข้มแข็งเราบึ้งไปไกลบึง้งยังอันนั้นตาไพนอกได้แต่สําหรับตาไพในแสงสว่างไพในมันสามารถเห็นทะลุไปให้ในสิ่งที่บัมีโตก็ได้แต่ในสิ่งที่มีโตมันมองเห็น สมมุติไม่ออกนั่งอยู่นี่ออกมาถามว่าไม่ออกเก็บเงินไว้บอนได้เนี่ยอยู่บ้า น, นมอ่งเห็นบ่เห็นฟับลงมันบ่แต่ไปถามไม่ชีไม่ ช, มชีไม่ออกกันเก็บเงินไว้ใส่ไม่ชีบุหูเรื่องเลยแต่ถามไมออกหูเรื่องเก็บเงินไว้ใส่นี่ออกมันบ่ <c oughs> นั่นแหละเขามีตาในอยู่ระดับหนึ่งแล้วนี่นะตาในตัวนั้นคือเอินว่าหูจหูจําหููจัก แต่ในตัวนั้นมันจะไปเห็นแต่วัตถุอยู่ใกล้ๆมันก็เห็นทางใต้นี้มีน้ำบ่มีน้ํา ม, มันบน่นักวิทยาศาสตร์เห็นเด้ใต้นี้มีแหล่ บ, บ่มีอันยมนัมมณีบ่หนักธรณีวิทยามันก็เห็นเด้นี่เขาเรียก ว, วา่าตัวนี้เขาเรียก ว, ว่าโลกิยะปัญญามองเห็นความลึกซึ้งของสิ่งที่เป็นวัตถุก็เป็นตาอันนึงแต่เป็นตาที่สั้นเดียว เล่นเดี่ยวพี่เนากล่องเวลาเขาซื้อเราเนี่ยซื้อเล่นไหมอีกเงินวะล่ซื้อเล่นเล่นลนมัแพงกว่ากล่องกว่าเด้นะแต่เล่นในตัวมันก็มีแล้วเนะี่ยนันเป็นว่ามองเลยสั้นเดียวแต่บัตรไซเล่นไมค์เข้าไปมันขยายอีกหลายสันนะ้นเนี่ยตัวนั้นคือถามว่าไม่ออกตอนนี้อมู่นี่เจ้าคิดจักเรื่องคิดไปแล้วจักเรื่องยังจำได้บ่บ่ได แตถามว่าไม่ออกวันนี้เจ้าซนเงินไว้บอไหนจำได้เป็นเวละแต่ไม่ออกวันนี้คิดเรื่องหนึ่งจำไม่ได้่ะพ่อเจ้ามีแต่ซันเดียวเชื่อผเบิร์นโบเห็นอ่าแต่ถามว่าไม่ออกวัน น, น, น, นี้กินข้าวกับยังตอบถือวันบอืลแต่มาทําอีกไม่ออกณคณะที่กินข้าวเนี่ยคิดเรื่องยังคิดเรื่องยังจำได้บอเนี่ยคิดเรื่องยังเรื่องยังก็ <c oughs> <c oughs> บ่นทึกเราตอนนี้บัถือาอาจจะคิดเรื่องอื่นอาจจะบม่ได้คิดก็ได้นะจําบ uh ันไดนะถ้าจําจได้ก็มัว่วเอามัว่วเอานไนะม่ค่องจริงแล้ววันนี้นิ mm ้วตามันเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นสัน้นเอื่นซื้อกล้องเขาจะมีกล้องอีกต่างหากขยายไปเอิ่นไปเล่นสามารถเบิ้งเห็นไกลๆหึกๆในภาษาสตร์ทางด้านใจเขาว่าเห็นเจ้าของว่าเป็นยังไงเห็นหลายสัน้นกายก็สั้นนึง เห็นความรู้เมียกันสันหนึ่งเห็นใจอีกสันหนึ่งเห็นอารมณ์อีกสันหนึ่งโอ้นี่เขาเรียกขยายหลายสันเดยกายขณะนี่กายเจ็บกายปวดนี่กายบรสบายบ่งไหนไดิเห็นเห็นบอกนี่มีหลายสันหนึ่งเลยขณะนี้ที่ใจนี่สบายบรสบายหรือซื่อๆเห็นบอกตัวนี้ที่ใจสบายหรือบรสบายถึงสองอย่า ง, ง, างนี่ก็มัวกันเลยเน มัวหมายความว่าโม น, น, นอนนว่าเป็นอย่างแน่นั่นน่นนนนนะยังชัดเจนบชัดเจนี่สั้นที่สองชัดเจนแล้วเพราะสั้นที่สามเมื่อนี่คิดดีเจ็ดเรื่องคิดให้เจ็ดเรื่องนี่จักบอกจะแหงบ่บ่บ่บบทัานเราเป็นเวลาเนี่ยพอเป็นหน้าที่ของใจแไปเบื้งสัน้นเดีอวเมื่อนี่คิดสองเรื่องเรื่องใดนั่นเรื่องดีขึ้นเรื่องให้มีสองเรื่องเท่า น, น, นั้นบ เราถามว่าเรื่องให้ชักเรื่องเรื่องดียังปล่บได้ยังนี้เท้านี้ในได้เรื่องเรื่องเี้ยงก็ยังหลายสั้นเข้าไปอีกวันนี้บอกนะเราถ้ามมามื่อนี้ความสบายใจกับความบรสบายใจเนี่ยเรื่องที่เห็นให้สบายใจมีชักเรื่องเรื่องที่เห็นให้บรสบายใจมีชักเรื่องมื่อนี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกได้เม็นบ่เนี่เยบริสั้นลึกลุกไปถ้าเขาโบเดชเริญสติปัญญาตรงนี้เขาจะโบเห็นเด้ เขาจะไม่เห็นเพราะมันหลสันลส่นไหลสั่นหลสั่นลงไปเดินเขาจะต้องมีการฝึกตัวเนี่ยเพื่ออยังเพื่อขยายเล่นเล่นเอื่นเขาเอื่นแบบวิปัสนาญาณหรือว่าปัญญาญาณที่เข้าไปเห็นได้นั่นตัวเนี้ ว, ว่าเล่นของปัญญาสว่าโลกุตตระปัญญาไปมีเล่นโลกิยาปัญญาเนเหมือนมันก็นนว่าเล่นที่มันติดมากับกล้องโลกิยาปัญญามายถึงเล่นที่ซื่อมาตั้งหา แข่งกับอเล่นที่ที่ม้ากระกรงเนี่ยเพราะฉะนั้นโลกียปัญญาได่ตรงมาบำเพ็ญเอาตรงมาฝึกเอาแต่ว่าโลกียะปัญญาเนี่ยไปเห็นกับคู่บา่าจารย์ก็ได้ไปเียนกับมืกับฝูงก็ได้ปัญญาจังสันหูจักนั่นแนหะเล่นม้ากระกรงแล้วกองยีห้อดีแน่ก็เล่นหลายสันจังน้อยแต่ว่าเล่นที่ซื้อมาต่างหากนี่โอ้ขยายได้เป็นหมื่นเท่าแสนเท่าละแล้วแต่ราคาของมันนี่ อันนี้คือการทำมาฟึกนเพื่อให้เกิดอันนั้นพุณิเดชถ้าฝึกนนู่นไม่จะเกิดปะเกิดถ้าถ า, ามว่าไม่ออกเคยเขียดปะเคยเขียดมันบะผู้แจกบอกมันมาแต่ใส่ตอนนี้มีปะห้องเขียดห้องโขดมีบะก็มีอ่าวัอดอันตามาเอาอันนี้ขวางหัวมไปออกปึ้งเนี่ยมาทันทีเลยเหเนาะ มือจับมันมาได้ใส่มันบริมาจากขวดหน้ามืันนี้เด้เห็นมาจากใส่บ้างตอนนี้บูมี่เด้มันบอกอะความดีใจมันมาจากไหนแต่มาเอาเอาออกเอาเงินไปแสนหนึ่งให้เงินแสนหนึ่งดีใจยงีเลยแสนเหรียญเอ้ยเลยก็บรรมืจักมันมาจากมันมาจากเงินตัวนี้เด้นั่เขาก็บโบห็นเด้มาจากใสมันมีอยู่แต่ห้องเบอร์โมห็นมันนั่นนั่นเขามาฝึกตัวนี้เท่านั้น ทีเห็นมันพระพุทธเจ้าคนก็เลยเห็นประโยชน์อันนี้เห็นประโยชน์ของการฝึกฝนนี่คนก็เลยทิมมดทิมบานทิมฮันทิมบาน ท, มาน ท, มานทิมซองของห อ, งห อ, งอลูกโวโวเมียพอ่อแม่เพื่อเมลกเอาตัวนี้เพื่อมเมลกนี้พอคนได้แล้วนี่พอแล้วมาแจกใจมูฮั่นมาสามพันกุปปียังบทท่านมดเลยมีขาของมีขา แต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนบุดีเสียสาระปอนด์นั้นก็บุ๋มไม่บุ๋มไม่ไเลยผู้จักเพื่อนอะมันบ่ละนะครับัรนี้แต่ถึเพื่อนผู้จักเพื่อนมาสองสามพันปีเพราะว่าคนเด็กซิงนี้ของมีคามีคาคนสิ่งใดทกมันมดในโรงนี้เขาก็เลยเอามาของเพื่อนที่ไม่ให้มามาเห็ดตออีกเป็นต้นทุนเป็นต้นทุนเขาได้เกิดมาเป็นชีวิตมนุษย์ดิบแมนว่าเกิดมาสื่อมันมีต้นทุนอย่างหน่อยเขาต้องได้พ่อคนมีสินมีธรรมมี บุญมิกุสลบอกทางเขาเขาได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้าเขาบริพภคคนมีศินมีบุญบอกทางเขามาเนี่ยเขาก็บม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้สั่นแล้วเขาต้องได้พภพ่อคนดีบอกดีกับเขาเขาก็เหตุได้ดีน้เพึนเขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วบางคนกับบุญบุพ่อเลยบได้ดมามุจจาผาเจ้าเจ้าบได้มาฟังสิ่งที่ดี คนใดเกิดเ ม, มื่อแรกบริเวณฟังสิ่งที่ดีแต่ฟังสิ่ดีฟังสิ่งฟังสิ่งที่ดีแล้วบเอาตายไปก็ยิ่บมากเป็นคนอีกเนี่เป็นแนว้อไม้ได้ไหมเป็นสิ่งสาระซัดไว้คนเด้็ะห้าวไปพอคนดีคนมีชินมีธรรมบอกแล้วห้าวเฮ็ดตามเพิ่นห้ามีโอกาสได้เกิดมาเป็นคนอีกแต่บางคนเฮ็ดน้ำท่ำต่ำพอได้ล่วงมือปฏิบัติเจ้าของอีกดีบริเบริว่งได้มาเกิดให้ถูกอยากบรได้เกิดเมื่อเรื่อง บุต้องได้เกิดเมื่อมีลูกมีผัวมีเมียบุต้องได้เกิดมาอถ้ามาหาขินบุต้องเกิดมาเป็นลูกจา้างคาถาบริบัตของผู้ใออีกบุต้องได้ทุกอีกนะบางคนปฏิบัติเลยแล้บุต้องได้เกิดมาอีกมดบาบมดบุญนะถ้ายังมีบาบมีบุญก็ได้เกิดมีบุญร้ายก็ได้เกิดมาเป็นคนดีคนงามคนหล่ําคนรวยมีบาปร้ายก็เกิดคนทุกคนยากคนที่ต้ตล่างคนหาคนแก่งกันอ เมื่อบำเมื่อบุญเราบรได้เกิดแล้วบรมีเสือ่อเสื่อดีก็บบมีเสื่อไหลก็บร่รมีมันก็บบเกิดนี่ดังนั้นเวลาเขาได้ข่าวว่าพุนมาเปิดปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เฝ้ามาหลดูนะเพราะเขาจะได้เกิดดีด้ส่งดีที่สุดคือบรได้เกิดคือเขาบริอยากอีกนะบริอยาก ม, มาเป็นคนไทยคนล่าบริอยาก ม, มาลบราคา ฟันกันอีกบริยากมาอิชาพยาบามบัตรบริยากมาเลียงผัวเลียงเมียบริยากมาเลียงดูเลียงเต้าอีกบริยากอีกมันก็มืดแต่ว่าถ้าเฮายังมีมีบุญหลายอยู่นี่ใส่บุญบุญทันมดก็อมื่เกิดรับใส่บุญอีกเลยแต่ในช่งที่รับใส่บุญเขาก็ได้ท้าบัตรด้วยอีกเด้อเนี่ยมันมิแต่บุญอยู่เนี่รับสบุญเดี๋ยวถ้เกิดเพ่ปรับใส่บาปวนไปว่นไม่เนี่ยเขายังบุญยังบาปอยู่อืมเพราะฉะนั้นมาปฏิบัติธรรมเพื่ออย่างเพื่อให้พ้นบุญพ้นบา บุญก็บาปก็บรรนุบุญก็บระเอาแล้วเขามีแต่อยาเอาเนื้อบุญเนื้อบาปการยืเนื้อบุญเนื้อบาปเพื่อว่ากุศลกุศลระทำมาเอากุศลบ่เอาบุญบ่อาบาปมาเอากุศลกุศลกับบุญจังกันอย่างไรไม่ใชีกุศลกับบุญจังกันอย่างไรเอาได้อธิบายให้ฟังหน่อยบวชมาดนลแล บุมาเจ้าภัาล่ะฮะเออชิบเ็ดทองคู่เจ้ากะบุญก็บุศวนต่างกันยังไงเนาะอธิบายให้ดูให้หลานฟังเน่เข้าใจบ่เอู่้ใดจอธิบายหพ่อฟังวันยีที่บุญกุบเขาบุญก็บุญสวนต่างกันยังไงต่างกันเนาะ ออเออคิดสว่าไปท่านซักไม่ละซักนาอืนอบุญนั่นคื อ, อทําแล้วหายทาแล้วหายตัวอย่างคือเอาเงินไปทานรับบ้านเมียให้ว่าเอาเงินไปทานจนเมื่อบุ้ เงิ S <S นช mm hmm 네 uh ื่อเข่ามีบ้านหรือเลี้ยงลูเลี้ยงาอนนคือบุญบุญได้สอนไปทานคลับบ้านเมื่อได้บาปได้บาปอีกนี่พอบุญ่ะบาปที่เกิดนั่นบ่าไี่คูศสนเมื่อเกิดยังไงนี่คู่สนแปลว่าพ้นบาปพ้นบุญแค่นั้นดีเค่นี้่ดี๋ยวสมมติว่าเอา เอาไปทานแล้วทุกคสบายใจกับบัณฑไม่ออกดาวเงินไปเสียยังว่ากันเชื่อๆอยู่สบายจริงๆนะบกเกียรตนะมึงจะได้บาปบ่ได้อย่างตัวนึงเอาย่างสมมติเขาไปดูว่าไปทําท่านว่าแสนหนึ่งกับไปบัณฑ์ไปบอกไม่ออกพอน้องพุกนนี้พวกข้าไปทำบุญมาแสนหนึ่งไม่ออกพอนวดดีใจเอ้เงินไปแสนอับเพียรึยังได้ตายแล้วเจอเฮฮาในน่าใส่ดี อ๋อเพบาะไงบ่ได้แะะบบนี้ถ้าพูดไงถ้าพหูหไงทีทบ่ได้เครียดบ่ได้โกรธบ่ได้บ่ได้เป็นไปยังพื้นวานนะยังใจยิ้มชื่อใจดีอยู่นะพะูดยาดาจะวางใจกับใจดีอยู่ซี่สินะจะเป็นบา ป, ป, ปบาป่เป็นบาปแนว น, นึง <laughs> ทำครบแล้วก็ขว ด, ดถามพญายิ่งทพญ า, า, ายส่ศัก์สมมุติว่ามื่อเนี้ยไปท่านเนาะสมมว่าวัดพุ่นพญีสร้างวิหารไปเป็นเจ้าภาพเสาต้นหนึ่งเนี่ยหนึ่งมืนบาทกลับไปบ้านยายท่านว่า โอ้โนี่ผู้ข่าว ا, มันงจะไปซื้อของได้ลองเงินจากเจ้านี่เงินเนยไปว่าจะใส่สักห้าพันเอาเงินมาเนี่ยเฮ้ยมืดแล้วไปใส่ละไปทัา บ, บุญมืดเนี่ยเจ้าอนุมูนอนทนัน่าเด้อย้ายกับดาลุกเล็ลกลุกงไปสาธุบริ ญ, ญเดอร์ผู้ข่าวบุญนั่นแล้วสบายใจสาธผู้ข่ากันสบายใจดีอบอกให้เออห้องทัา บ, บุญท้องกันเนาะมันบอกให้ย้ายอนุมูทนนาพรอมใจบุเสียเด้ ใจยังดีอยู่จังนี่จะได้บาปบ่ได้อย่างไงเนี่อ่าได้กุศลคือกุศลเนี่ยถ้าบุญแล้วมันเป็นบาปก็เรียกกุศลถ้าบุญแล้วยังได้บาปอยู่เนี่ว่าเป็นอกุศลขออย่ที่จะไปสอบใหม่ได้ไหมเนี่ยอันนมือหน่อยเดี๋ยวมือหลายๆเพรานว่าบาปเป็นเอ่า กุศลเป็นเหตุบาปบุญเป็นทุ่นกุศลบาปเป็นผลผลว่าบุญเป็นผลกุศลเป็นเหตุบุญเนี่ยเป็นผลเนี่ยที่เข้าไปทานมั่นใจกุศลเป็นเหตุเป็นเหตุให้รักษาบุญไว้ได้คือมีปัญญาเขาว่ากุศลคือปัญญารักษาความดีใจไว้ได้แต่ถ้าหากว่าก้าวไปบ้านพ่อไม่ออกเดาป๊บใจเสียใจเลยโอ้เฮียเสียใจหมดดังนั้นเป็นบาปแล้ว พบมิูศุนหักษาใจที่วน้เามาปฏิบัติธรรมน่งทเขามาให้มาหากูศุนี่บริอาบุญเด้พอผู้เจ้าก็บุญนี่นมันเปลี่ยนแปลง <c oughs> เป็นบาปได้แต่ว่าถ้าเาักถ้าบมิกูศุเขาบมิปัญญาฉลาดเนี่ยวลาเขาด่ามาป๊บองวากูองี้นะโอ้พอได้หามีสติปุบ๊บมาหักษาใจดี ๆ, ๆเอาไว้เขาว่าเมาื่อนไดก็หักษาใจเอาไว้บวไปนําคำวาลักษณะนี้เลยว่าเกิดปัญญา ปัญญาก็กุศลเป็นเรื่องเดียวกันอรักษาใจบ่ให้มันตกใจเปืป่อนเพื่นแถมยังช่วนเพื่อนอนโมทน้าน้ำบางทีนะแบ่งบุญให้เพื่นน้ำบางทีนะนี่คือเรื่องมีปัญญาเพราะนั้นกุศลเป็นซื้อของปัญญาอแต่บุญนั้นเป็นซื้อของความสุขเป็นความสบายใจแต่กุศล น, นั้นเป็นซื่อของปัญญาที่รักษาความสบายใจเอาไว้ได้รักษาใจปกติเอาไว้ได้ตัวนั้นแต่กุศลนีน่ถ้าบอกว่าเหตุภาวานานีนกุศลวัน มันเกิดยากเนี่ยหน่อยคนเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาไปทําดีมาแล้วค้นมาว่าบุรีเนี่ยเวลาคนมาว่าบุรีหน่อยคนยที่ใหญ่ทใจซื่อได้ไหมมันบ่กถ้าบุรีฟื้นมาในเหตุบุรีเลยอะมันจะต้องเกิดความเียดความเศร้ามองความเสียใจแต่ถ้าเขาซื่อนแสดงว่าคนนุณอนใดฟื้นฝนมาแล้วเขาะสามารถเกิดปัญญารักษาใจไว้ได้นั่นกันมาเพราะว่าน่าถือมาเหตุกุศลบุญเปนมาเหตุบุญเพราะกุศลเนี่ย มันอยู่เหนือบุญนะเวลาทำให้กูศนเราให้หบุญอยู่ใสก็ได้โมหาเดไปสถานอย่างเดียวเวลากลับไปบ้านอุบานมันเฮียดีเขาถือไม้กวาดมันเสร็จมา ก, กวาดมาทําความสะอาดเก็บของเก็บเมียนอย่างบ้านสะอาดสะอานนั่นพ่อกุศลผู้ใดมาเห็นอุบานคืองามดีแท้บ้านเ ข, นขนาก็สะอาดสะอานดีแท้ผู้อื่นมาเห็นเลย ส, สบายใจ คนอื่นก็นได้บุญนำเฮาได้หมดเน่ยเฮาก็ได้นบุญเดีวคนอื่นก็นได้บุญเติมอี ก, อขอกเขาเยกว่ากุศลเนี่หรือว่าบางคนคนท่านกันคนละแสนสองแสนหมืน่นสอง ม, องมืคนนี้ผมมีเงินไปวัดไปช่วยคุบ่าถอนยาบ่กวาดยาบ่ไปช่วยคุบ า, ออ า, บ า, า, บาปุ๊บสร้างมั่งแปลงเฮ็ด น, นั่นเฮก น, นี่ปรากฏว่าคนนี้ได้บุญหลายกว่าผู้ที่เอาแต่เงินมาท่าน พ่ออย่างพ่อได้ท่านท่านได้กำลังท่านเฉลีปัญญาท่านเหี่ยวท่านแห้งนี่ค้นกุศลเนี่ยเฮ็ดบุญได้บุญหลายกูว่าเฮ็ดน้อยแต่ได้บุญหลายเพราะมันได้ทั้งหมดเด็มันได้หลายเด็กแต่ลงทุนด้วยลงแห้งด้วยจ้กของนะมันกุศลเนี่ยหมายเขาว่าเขาสามารถไปได้คนไหนได้กุศลได้ไปเฮ็ดบุญนะเฮ็ดน้อยก็ได้หลายแต่คนณใดเฮ็ดบุญแต่บุม่กุศลน่ยเฮ็ดได้เท่าใดเท่านั้นบางทีเฮ็ดบุญหลายก็ได้น้อยเช่นว่ อผู้ขาท่านมือหนึ่งเด้อเขียนซื้อไว้แน่คนอื่นจะได้มาเห็นว่าผู้ขาท่านมือหนึ่งอย่างนี้นะขอคู่บาบุเขียนกันหน่อยใจโอ้ยคู่อ่านตัไปบุมมาท่านนิดเดียวเขียนซื้อสมนีมันยากเห็นอย่างเพียดคูบาตัวเด้ียวเนี่เฮ็ดบุญได้แท้ก็ได้บาปไปอย่างนี้นะเพราะว่าเฮ็ดบุญบุตรบ่มีบุมีปัญญาอยากจะได้ซื้อได้เสียงอยาให้คุณอื่นหู้จักกระรื่องบุญน้อย อได้บุญตอนที่มันต่างใจเหตุเพราะบอกเพื่นบุญเหตุตามใจเจ้าของเท่า น, นั้นแหละก็เลยบ่ ส, สบายใจนี่บาปมาแล้ววันนี้บุญก็ะหายไปกุศลเพราะบอกมิกุศลอืมมีอยู่เธอหนึ่งพออยู่แพร่เซงเทียนเข้าไปพาทุดพาพาไปทุดงอยู่ก็สร้างปีนั้นเนาะเห็นอุ้งก็สร้างดี ง, งามแต่ฮาเอาได้ผ้าเอาผ่ามา ทุโลงมาเข้าใครมีสุปีขึ้นดีแน่พถ้ามิตไปตอนนั้นไปใส่ทีนวยป่าใหม่อุทยานปลาใหม่ของก่อสร้างเรื่อปลาใหม่มติดของทีของลุงซิอดทีของลุงศิดซิดนี่เป็นคนจังหวัดแพร่รเปินเปนดนไปได้ลูกได้เมียปนไปให้ไทยใส่สนอยู่ปนไปมิทีหลายติทีอุทยานอ่า แล้วก็เฮลิสอดได้นเหมนี่เฮลสอดพกฝังไปเที่ยวก็ถึงอย่งกับไปเชลลรีสอร์ทแล้วที่เท่าก็ไปเฮตุเรียนที่นี่พ่อผ้าไปหลายเลยพ่ะส์สามสิบสี่สิบดูไปอาศัยไอตัวอาคารทุเรีนอาคารคันเดียวันบพ่พ่อพึงบ่พ่ออาศัยบัดฝนตกลงมานี่พออ่อใหญ่ชิดเลยไปนีม้วนผ้ามาอยู่ตามริสอด น, นี่พ่อบ่พ อ, อยู่กันในเวลาเปียเดนอยู่ตามริสอเป็นห้องบองตอว น, นั้นแล้วบนนันมีแขกเขานะ เราก็เลยดีใจว่าได้บุญอ่าได้บุญก็เลยบ่อน้าเล่าว่าโอ้สุปีถ้ามาเข้าม้งนี้ว่าอาศัยหาผลตกคุณธรรมจะมาอาศัยรีสอร์ตเชียงซี่ได้โอ้มาโหลดมาสิปีใดถ้ามูพคุณเจ้ามมาผมจะปิดและบ่อนับแขกในช่วงนั้นสักระยะหนึ่งก่อนะ่ะยังได้ทั้งบุญนําปีที่สองเขาก็าไปอีกพอปีที่สามแล้วว่าเอาเชียงซี่ซ ะ, ะที่ที่เฮ็ดรีสอร์ตอย่างเนี่ยผมมีอยู่แปดไร่ ทุแปดไร่นี่ต่บาที่ถ้าขายนี่มันด้ว่ากันเป็นหลายแสนแต่ผมเอาหลวงพ่อแสนเดียวให้มาไส้ตัวนี้เอาเป็นอารามนี่เลยมะเขาขายทุ ป, ปีนะมนเห็ดตัวนี้เป็นเป็ น, ปนอารามเป็นวัดนี่เลยผมจะให้แปดไร่โอ้เข้ากันเลยมาปรึกษากันโอ้ดีเนาะพอจะซื้อาขายโมนี่ให้เขาพอมีซาลาลงขั้วพร้อมเข้ากันเลยมาปรึกษากันอยู่วัด เราก็ ม, มีเงินแสนได้เป็นบอกที่นี้ปีนั้นท่านกวงผาผ้าลูกคนจีนในตลาดพ่นมาบวชพ่นในหูเรื่องนี่ปั๊บบ่เป็นยังเดี๋ยวผมเป็นเจ้าภาพให้ก็ได้องกีินะพระ ก, กวงนะ่ะเราก็ได้ไปของเงินแม่เรามาแสนหนึ่งเราไมาถวายหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ไปซื้อที่นี่แม่เล่านั่งมาที่หลังโอ้ถวายเงินแสนคูบ่าบริเหตพิธีอย่างเลยมายืนแสนหนูคุบาเอาไปซื้ อ, อเนี่ยแต่บริ ท่านกันร่อยสองรอยมดุดว่าอิมานิมะยังพันเตพิพะตานี่สปริวาลานิเหตุพิธีกันโยกเหี้นี่ถวายเงนินเป็นแสนบริให้พิธีจักนแนวเราได้เสียใจเห็นบอกลูกมีกุศลแต่แม่มีแต่บุญแม่โบมีกุศลแท้ที่จะได้อานุโมน้ำพระนามน้ำพนแค่ไปติดพิธีนหน่อยหนึ่งนะก็เลยแม่ก็เลยเสียใจว่าคูบาวบเิ็หพิธีให้ถวายเงนินเป็นแสนบบเริบริให้จังเว็ด เปที่พิทีเห็นบอกนี่บ่มีปัญญาแต่ลูกมีปัญญาโอ้ให้มื่นกับบริโภคบ่มิแสนมื่อยู่ที่ใจบุญนะให้ทานเราได้มอยู่ที่ใจให้แล้วก็แล้วเพื่อนก็นดีใจจะได้บุญที่นี่ต่อมาหลวงพ่อก็พาพาไปเคาะใหาส้สุปีสุปีจนกระทั่งต่อม่านี่ปาโคสว่ารีสอร์ทโซนหนึ่งที่ระเบิดขาเนี่คนมาซื่อมาเสามาอย่างายแล้วก็รวยพระญิสิทธิ์นนะ่ะรวยพระญิสิทธิ์ ตอนนาหลวงพ่อก็ว่าคณนณมันมาหลายแนละ้วไปเข้าค่ายก็อย่า ง, งบบสงบเนาะพวกฝลังมังค่ามาหลายหลวงพ่อก็เลยโบไดไอืโบไดไปก็เลยบอกพญิชิตมูห่หลวงพ่อโบไดไป้มันโบส ง, งบแล้วมองนั่นหลวงพ่อไปมองอื่นอจะขายขึ้นให้พญชิตจะเป็นพญิชิตจะเอาเท่าไหร่จะขายจะขายขึ้นให้พญิชิตก็เลยให้ม่สองแสน เอาสื้อแสนเดียวเราให้ว่าสองแสนลงพอก็เลยเอามาซื้อที่ของอุบาสิกาไฟอุบาสิกาขายสังเทียนแต่ก็เพื่ทีมีแต่ไฟผ่าด้ไฟอุาบาสิกาโบมีเดิ 2, สองแสนมาซื้อผู้ใหญ่ะจุนเจ้าของที่นั่นได้อีกซีบไรลเลยให้พวกอุบาสิกายุดันนี่นะดันอุบาสิกาหนึ่งพอเงินจะ ก, ก็สั่งที่ผู้ญ่ซีดขายทีนีน้เอามาซื้อให้นั่นเป็นที่ไปที่ว่าเงินโบ งั่นนี่ก็ได้ถึงบุญได้ถึงกุศลได้ถึงบาปไปก็มีเห็นอย่างงั้นเดี๋ยวเออนั่นแหละนั่นแหะมองนั่นแหะเขาจะเห็นว่าการไปการปฏิบัติธรรมมันมีผลเงาะเงื้อขึ้นอย่างซีเมื่อค่อยเป็นไปมองนี่ขึ้นกันเขาสร้างกุศลหลายๆบุญคนบุญทางมหามาเห็ุให้หรอเขาบุต้องไปยากเลำบากเหตุเรื่องของหรอเหตุไปให้ไปเขามาเห็นมันบรสะดวก์เขาค่อยสร้างกระซ้าให้มันหรอ จะคอยให้เฮ็ดให้เห็นดีๆนั่งปฏิบัติไปให้ไปเดี๋ไปเฮ็ดเพื่ออ่างปุยยศสร้างวัดมนบปไร้เด้เฮ็ดอย่างนั้นพอสร้างวอดไปไปไปมณฑปเรื่องเรื่องปริบัติมณฑปไร้เด็ดต้องเฮ็ดให้เป็นชีวิตจิตใจว่ามึงนี่เป็นที่ปฏิบัติดีคนดีๆมู่เจ้าต้องได้คนที่จะมันบวลาบัดนี้มู่เจ้ายังโลบยังโกรธยังโลงอยู่เจ้าบุตรท่านไดจะสร้างวัดมันเทวดากระบอซซอยอะไคนดีมีปัญญาคือินเทวดาทัว เทวดาบูมินใซเสดาห่อมาจากฝ่าจากเมกนี่เด้คนดีมีปัญญาเนี่ยคือเทวดาแล้วเทวดาซอยหรอกคนดีที่มีปัญญาเนี่ยพุนมาซอยเขาพุนเห็นประโยชน์เห็นในต่างๆดังนั้นเขาอย่าไปคิดขึ้ี่ขึเครื่องเรื่องสร้างเรื่องแปงอย่งเขาอยู่ปฏิบัติเขาอยงเี่ล่ะพระอย่างที่รไยวันพันปีเมื่อยู่จังสี่เขาตายไปเมื่อก็้อยู่จังสี่ลหละเขาบ่มามันก็้อยู่จังสี่แหละมันบลาเออเขาสั่งเขา มาเสียมนักมันมองเป็นบุญเป็นบาปก็มันไหลในเข้าไปได้ใจลำบากเลยสร้างวัดแล้จะของโตนรกนโมได้เลยเข้าต้องให้ได้สวรรค์นี่พลานก็จะของเจ้ากันแล้วที่นี่มันก็จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นต่อไปอย่อมแม่พิกลแล้วมาเห็นอยู่หันนะพระปฏิบัติพายงพิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติมาผู้นั้นก็มาสั่งให้ผู้นี้มาสั่งให้จุนวัธีบุมีสั่งตอนนี้เรามาสั่งโตอยู่เชิงเขาเหมือนนี่ ยิ่งเขาเขาอะมาสั่งพอที่แพ้แสงเทียนมันงานหลายจนอาจารย์เกษินป่วยอาจารย์เกษินผมมีเวลาฟักพอดอาจารย์วเกษินเป็นโรคตับเป็นไวรัสตับด้วยวันนี้ก็เลยตอนนี้บริเวสุดเดือนสามเดือนเทเธอหนึ่งแพ้แสงเทียนน่ะพ่ออาจารย์เกษินป่วยเบิร์ก็ออกขอไปพับคนในหลวงพอช่วยเนที่นี่แล้วก็เลยมูแล้าดี่เคยไปดูซี่หลุมพ่อดาบบดนะโอ้หันมันทีมันบ่พอมันสร้างแน่นหมดแล้ว คนก็เลยมูพันเะน่าให้ทีอีกสามสิบไรมีเชื่องคำสร้างพาคนณบริบัติ่ปุระตระนี้กันเลยน่นยมได้ไงโยมภากันเฮ็ดเองบุคคลภากรเออเนี่ยยมระเบียบยเป็นคนไปสร้างพ่อยายลุงชุมเนะี่ยเป็นผู้ให้ทีโยมระเบียบก็มีชี้เยาหลักเป็นผู้ไปสร้างให้ผู้สร้างร้านโจงโกมยางดีเลยนะตามที่เชื่ปฏิบัติ ที่นี่อยู่ไกลๆอันประมาณห่างหกิโลแล้วพอหลวงพ่อไปบวงนี้บวงนี้ดีลุงชุ่มพอถวายทีเนี่ยแล้วก็เลยได้บวชอ่าแล้วก็ทีบวณเอาไว้สำหรับอุบาสิกาบวณลาภะเอาผ่กบวณลาภะนี่เอาเทเทที่ขานเออเทเราเป็นนอนไปกินไปเล่นบอาเอาเผ่ามันมันสอนยากคนนะเออเออสั่งโยมดิคเอาั่านนี้เดี๋ยวนี้ขอเอนตีพ่าแล้วดิ เพื่อนเพ่นว่าเป็นแด่หลวงพ่อเดือเอาหลวงพ่อก็ไ่ได้ไปนอนจักเทียนนะหลวงพ่อมไม่มีเวลาไปหาเจ้าก็เลยวารับดีอันห่างมาห่าห้องกิโลนั้นเป็นทีปู้เนาะน้ำไหลเอ้ยเอ้ยลงมาจากูน้างามบัดปลาหลวงพ่อก็แล้วก็พาไปเบิ่งว่าหลวงพ่อจะพาพาไปถูกมหันมีมาเบิ่งมนีใเดื่อสั่งพอเสร็จจากงานเชียงร้ายหลวงพ่อเลยแวะไปงานเงโงไปไปวูทีดีเลยน้าไหลชื่อทีเชื่อ คนจะมีกรรมการส่วนหนึ่งดูแลอยู่ทางหากมันก็ห้ามไปเลยล่ะว่าแต่ญาติสมบัติหลวงพ่อดาบดกันเพิ่นจายไปเพิ่นจ่ายเงินทิมเงินหลายล้านเมื่อไหเสียแล้ ว, วรกรรมการวัดทั้งหลายเพืญ า, า, าติก็ยอยู่ฮันได้์แมพี่ปุ่ไปซอยพักหนึ่งซอยบบวัยเพื่นก็นทิมเพื่อนนีแต่คนอิชาปยาบาติกันวันนั้นหลวงพ่อไปเห็นโอ้ดีๆก็เลยกลับไปนิวเดือนกุมภาพันธ์หน้าประมาณเดือนมินายนหลวงพ่ออ่ากจะพาพาไปเข้ายหันได้์เลยเราก็เลยรับว่าถ้าหลวงพ่อพาข้ามาเข้าทุ่งยู่นี้ ทั้งผีจะรับเป็นเจ้าภาพถวายอาหารหมดเลยคือก็ะดีบตุตรทองมีเมข้วยเช่ น, นะอะไรฮอเว ล, าล่าเราก็ไสหลดมาให้กินเขากัปฏิบัติกันเมนมือบตรองไปเซเวลาเฮ็ดข้วยเช่ร ว, วนพญอายีไปอยู่ที่ไหนก็ได้งั้นนี่เพรเขาไปงานนี่เราก็บวชให้พยยทีเรียบร้อยเลยบให้บวให้กลับล้วอยู่กลับไปสอนคนไทยคนลา่าอยู่นน่ะมันบวคนอเมริกาไม่อยู่คร่งค่อนชีวิตแล้วยสอนบเรฮูใดสักคนน <c oughs> ่อเต จ้องของบวชไปแลเด้องของวยเอจเอเออไปวะงพ่อจะว่างั้นนี่ถ้าหลวงพ่อญที่ไปหลวงพ่อจะถวายตัวเครื่องบินแล้วหรอกถวายขาเดียวเดี๋ยวให้สองขาเลยถ้าไปพุ่นถ้าไปพุ่นจะหอดเวลาบวชก็จะเป็นเจ้า้าบวชให้อีกกันนะ เอาไปสั่งสองคนใชนน่เนาะพญายเออพญเหลือไปไหนชลพญายเหลือไปนนยยยอไปนสองคนเหรอเออถาวายทั้งสองตัวเลยนะวะอา้าวโมเนว่าเล่นวายรีได้นี่ยเนี่นนนยพญา ย, ยเรื่องนี้มันมันต้องเป็นเรื่องจริงจังมันจะเล่นบเหตุการณ์ต่างๆนี่ยต้องเป็นพราเขาเริญสติแล้วมันมวนน้ำเห็ดให้สร้างคนทางว่าหลวงพอ่อ พอไปบะเด้เศร้าอย่างเบิดผิวเนี่ยพอมีความสุขในการเห็งดีๆพอประเดี๋ยวเศร้าตลอดเวลาจช่ดียเพราะนั้นจะเห็นว่าถ้าเขามีซอยกันดี่คนมันเลจะมีความสุขมีกุศลหลายขึ้นบอกคนในโลกนี่มันจะมีความสุขความบานบระด้มาหิงสาพยาบาทบุพเพมรรยาคารเขาลำชันกันเขาพยายามช่ยคนเพราะนั้นเพราะในที่เพราะในเหลือชีวิตที่เหลือในอุทิศให้พระพุทธเจ้าซะ พเพราะลราอยู่ก็หลงเมื่อค่อนค่อนได้สร้างประวัติศาสตร์ไว้ให้เจ้าของในสติด๊ดลอประวัติศาสตร์จะเป็นนักหลมนักเลี้ยวหนักศีลหนักสัง่งนักการบ้านการเมืองมากจบละเลื่นในชีวิตตีเลี้นในอุนทัยเทพพระพุทธเจ้าสาธุกไปเลยเป็นวัวหลวงพ่อให้ตัวเครื่องบินคุณระจูให้ปาดใจเป็น้าพารมให้พ่อมนนหน่อยนั่งยายท่านว่าจะให้ก็ให้บาตนี้นั่น <laughs> ออนั่น <laughs> กอให้ดีใจนะให้ดีใจว่าได้ไปเนาะตอนตรวจตอนรั้นากาให้เน่ให้อันเป็นเกิดพิธีเนี่ยนะดีใจน้ำ่นโมแม่ยันเราบูชุดดิอุ้งใจว้าดีอุ้งใจทีซึ้งวันนี้ฟังว่านี้พใดยัน่ะพูดยันสักพูดยันเร็วพยันเฉลียววิสักฟังวันน้คักเรวนี้เพราะฉะนั้นเนาเมาเกิดมาในโลกนี้มันต้องให้ได้หลายๆอย่าง เกิดมาได้จะยังเดี๋ยวได้มาทําการทำงานเรียงหลวมเรียงเมี่ยอะไรแก่ตายนะโอ้บ่คุ้มบ่คุ้มคาการเกิดมาเลยวะมาเกิดมาแล้วมันได้ผ่านชีวิตทั้งโลกทั้งธรรมทั้งกระไัตทั้งนักบวชทั้งเป็นตำรวจทหารเป็นชาวบ้านเป็นมา่มัดมันภูมิใจโอ้จะตายเมใดก็ได้ได้เนเีมันประหงเราเป็นมั่มดอะไรสู้เนาะมันได้บอกจรไหมออออย่างเอันาู่สนกับอุส่วนนี่เาือมันมันัเน ออมาทำกันนะปฏิบัตริรเนีเป็นเเอออีกี่นั่หลวงพอเวลาจะกินน้าเนาะหลวงพอใส่ข น, นบอกว่พอเ็นอนนเนี่ยพนมัเนี่ยซุนลมออโอ้โหน้ํนา อ, อกแล้วนี่ว่าั่นหลวงพอเห็ด น, นี่กิน น, น้ํานี่เป็นกุศลได้กินเป็นมันบอก น, มม น, น้ํามเฮ บารกินเป็นในลืมปิดเพราขาดสติปั๊บเนี่ยลืมปิดอันนี้เพราะอนุโมเฮียนน้ำออกเลยนี่เป็นอกุศลเนี่ยอกุศลเลยมันขาดสติย่ำเลยเป็นอกุศลแต่เขาถ้าสมมติว่าเทามีสติเนี่ยเทาเจตนาเหตุยังสี่โบเป็นอกุศลได้ไหมเพราะเจตนาแต่สอนธรรมว่าอกุศลเท่าไหร่นน <laughs> อันนี้โบเป็นบบเป็นอกุศลวะเนี้ยแต่เหตุว่าโบเหตุโบเป็นเนี่ยนะ ขณะเขาจะเห็นว่าเรื่องของธรรมะเนี่ยมันมันยากที่องค์เนี่ยออกเลยว่าขาดสติปปเพราะขาดสติปะปะมันเหกิดขาดปัญญาเพราะมีสติปปะปัญญามก็เกิดนั่นบอเพราะฉะนั้นในเรื่องของธรรมะนี่องค์พ่อว่ามันต้องได้เจอเหตุการณ์จริงๆถ้าบ่พอเหตุการณ์จริงเขาใส่บุถือเราแล้วเขาจะเจวลาหลวงพอ่อเที่ยนสอหนออหลวงพ่อข้างแรกเพื่อนก็บไ่ได้บอกสิงที่มันก็เปิดฟ้าก็ปิดฟ้าปวดแค่นั้น เก ล, ลื่อนนะอ๋อาระเหตุไปแต่กจะเกล็ดซเวล่าเกืบสิบปีพระเจ้าบมันเกลืเลยเลยแหงแื่อเราไหมไงเีอื้อันนี้กักุศล น, นะพอนี่กุศลนี่กุศลเลยคืออคุศลเปโวเห็ดบ่เป็นกุศลเปโวเหตุเป็นบ่เป็นคิดเป็นอ้วยคนนี้มันเหตุเป็นเป็นเหตุกข้อแสบ ตัวเหตุก็เข่าเป็นเนียนั่นมีกุศลคนนี้คือเว่าวเป็นเว่าวขนเถียงกันนี่ให้ยุตเถียงกันได้ว่าคนทะเลาะกันเนี่ยเยอะกันว่าวให้ศัตรูกันกับว่าบอกให้ที่ขนเป็นมิตรกันจริงๆเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นกุศลกุศลนี่ใช่ด้หลากหลายกุบุญบุญนี่ให้มันเหตุเป็นผลนะมั้ยบุญนี่เป็นผลกุศลเป็นเหตุ พระพุธเจ้าพูดสอนเหตุพูดสอนที่กุศลพระพุทธเ้สอนให้ทำบุญเลยพูสอนนักเหตุกุศลกุศลสู้ไปสัมปทาเด้ม่านนะบุญแมนปุ่นแยกสู้ไปสัมปทาด้วยสร้างกุศลให้ให้พอมเสมอบุญแมนไปสร้างบุญมีกุศลแล้วมันเหตุยังเป็นบุญมดบ่วแตะเ่วเจะหาท่านมีกุศลเราจะใส่คำว้ามีกุศลก็เป็นบุญเหวียดเหตุงานมีกุศลก็เป็นทำบุญแล้ว รับใส่บริการคนนั้นคนนี้ก็เป็นบุญนะโอ้บุตรใไปวัดเนาะบุตรใดทำบุญโฮเมนเจ้าบุตรใไปวัดคนเด็กน้อยมันกําลังหิวเข่าเนี่ยเอาเข้าไปให้มันกินแห่คูบ้านี่กับเข่าเมื่อนึงเต็มผ้าเต็มผ้าเนี่เล็กน้อยบันมีกินเนี่ยเอาไปให้เล็กน้อยผู้นั้นก็มันได้บุญหลายกว่าให้ให้ผ่าได้ไงเพราะอย่างเล็กน้อยมันอิ่มมันมีความสุขหย่อนเท่าขินหอดมันาเห็นมันเนี่ยนะบางคน เรียกว่าเขาจะซื้อรถถวายพระคนว่าอยากได้บุญหลบัดเวลาขับรถไปตามทางพระทุดงโบกเพื่จะขอขึ้นรถไม่ให้ขึ้น่นนะบุรับอันนีบบ้บบพี่กุศลเดยได้ท่างนั้นเข้าไปเห็นคนตกรถตกล่าหรือว่าพระคนเจ้ า, จา ก, การขอขึ้นปุเกิดละแว่ง กูมันจนปลอมาบวชน้ำาเป็นพระน้ำ ม, มาบกรุดขึ้นขุดกูขึ้นรดกูมามาป่วนมายิ่งกูจ่ายกูเป็นทาเลยบูอยากหลับนี่สินะระแวงสงสัยดังนั้นกูศนนี่เขาเสียหน่อยได้หลายการปฏิบัติธรรมมันเหตุให้มิสติถ้ามิสติเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาปั๊บนี่มันเหตบุญเห็หน้อยได้หลายถึงพอหนึ่งส่วนค้นเหตปฏิบัติเหตภาวนาก็อย่างเพื่อเขาทําบุญแล้วเขาจะได้บุญหลาย เราได้ทำบุญได้หลายอยา่างทำบุญได้ชุกเมือ่เอเ h o u s i n วัดซุ่มมือมาดทำบุญซุมหมดก็ไ ป, ไ, ไปบ้านเวลาไปบอกไปคุยกันนี่ใส่ค้าวว่าบูทึกใส่ว่าจาว่าบูึกก็เป็นเหตุให้คนในบ้านบสบายใจอันนี้ก็ว่เป็นกุศลเนี่ยบุคคลจ้ากุศลกุศลคือคนเหดเว่าแล้วให้คนรู้สึกดีใจสบายใจะ อันนั้นได้บุญแล้วแต่นั้นตัวนี่เข้าโบฉลึน่นสติโบฉลึ่นปัญญานี่เขาใจเห็ดอย่างมันก็ยากพวกนี้แหละเพราะมันเป็นอย่างคนที่บางคนในเห็ดงานในหลายหลายเพราะคนมีกุศลหลายคนสร้างเห็ดสร้างบ่าสร้างเห็ดสร้างทําสร้างเป็นแจ้งไปมันก็ได้กุศลก็เลยเกิดบางคนก็เกิดมาเทียนูเห็ดประโยชน์กับบ้านก็เมืองมหาสาลเนาะปืนนี้คือปืนเห็ดใดประนั้นบางคนเนี่ แต่ตัวเองจะเอาบรอดนีซีินะเพราะผู้สอนมันหน่อยแต่คนทั้งผู้สนเพื่นหลายบุญเพื่นหลายเพื่อนได้ซอยคนได้หลายคนนี่เพราะคนมันจะเลื่อนปัญญาจะเลื่อนสตินี่แหละเพราะนั้นอยากจะให้คนเท่านันจะเลื่อนสติจะเลื่อนสมาธิปัญญาเพืออ่อเ <c oughs> พื่อจะได้ซอยคนคนมันบรเหต์มันหลายก่อนน์นี่มันบ่ละคนปรเหต์มันหลายเพราเพราะฉะนั้นเห็ุนี่ไหลให้คนมันหุงจับเหตุแล้จะได้ซอยกันให้เกิดความสุขความบานจบ หมดเวลาแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุเิกับอความเามคือว่าบุญมดีใจอใจดีอ่าใจดีรักษาใจให้ดีอ่าบางคนมีฉบางคนที่มีฉลาดได้โเฉล็วแต่บางคนฉลยวเราต้องฉลาดอ่งเงี้อ่า่แต่บางคนฉลาดนี่คือเป็นบุญกู เฉลียวเเป็นกุศลบาคนฉลาดจี่ซืบริเฉลียวก็มีเด้คนฉลาดหลายคนด้เหตุยังพิจพานว่าอย่งิพานก็หลายด้เพราะมันบริเฉลียวใจแต่คนเฉลียวใจมันหูจักใส่ปัญญาแต่คนที่มีปัญญางเทืยบบุมมิสติบุ๋มหจักใส่ปัญญาเจ้าของเนีเอาปัญญาเจ้าของเป็นเหตุคนอื่นเดียวมีได้ไหมว่เพราะยันท่องสร้างสร้างเฉลียวอะไรบริชาหลวงพอดาเจ้าในเหนี้กับเป็นว่ายังเป็นมีความฉลาดแต่ขาดเฉลียวนะ เหตุหลงที่มันพลาดไปหน่อยนึงที่มันขาดความเฉลีใจแต่เดี๋นี้เข้าหากุศลไปหลายๆได้ออาขอบคุณ